ท่านรักยมแม่ยมพ่อมากท่านบอกยมพ่อไม่ห่วงเท่าไหร่พ่อใจเข้มแข็งเป็นห่วงยมแม่อยากจะกลับบ้านอยากจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ติดสัจจะคือความตั้งใจว่าเราไม่เป็นปัญหาจะไม่กลับบ้านไปไม่ได้พาพ่อตู้พ่อตู้คือยมพ่อออกขึ้นบนเขาไปหายาให้ยมแม่เขียนจดหมายไปหายมแม่ยมก็เป็นผู้นาจดหมายกับยานั้นไปหา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 อัธรังคิโกจะมรรานังเขมังอมากามินังในบรรดาทางนั้นทั้งหลายนั้นทางมีองแปดเป็นทางอันเกษมให้ถึงอมาตธรรมทางมีองแปดทางทุกทางทางบกทางเรือทางอากาศสู้ทางปฏิบัติไม่ได้ทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล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 ทำให้มากเจริญให้มากทำน้อยเจริญน้อยก็ไม่ได้เมื่อสักครู่อาตมาคุยกับท่านผู้หนึ่งเคยไปปฏิบัติกับหลวงปู่จันเหรียนท่านบอกให้นั่งสี่ชั่วโมงก็ไม่ในความรู้สึกไม่ไม่กล้ารับกลัวจะนั่งไม่ได้พอหลวงปูอ่ บ, บอกว่าเอาชั่วโมงหนึง่งเอรีบรับรับในใจทันทีก็ได้เมื่องานหลวงปูล่ลีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสการาบลงปู่จเหียน